อาการที่ได้ฝึกฝนมาเ็นเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงของขรรค์ท่าเห็นขรรค์ทาเห็นอาการต่างๆที่เกิดตามรูปตามนามเห็นอันเก่าเห็นเล่าเห็นเล่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นเล่าเห็นเล่าเห็นหลายโลกไม่เห็นเล่าไปเรื่อยๆเห็นเล่ว เหมือนก็เราลู้จักทางมันก็เห็นตรง น, นั้นแหละเดินไปทางไหนก็เห็นตรง น, นั้นแหละเส้นทางออกจากวัดเราไม่มีหลุมไม่บ่อก็ไม่เห็นหลุมที่ใดเราก็ลู่ล่วงหน้าแล้วคนเจ้าของทางคินทางั้นคนขับรถโดยสารคินทางวิ่งของตนไปแยกสามแยกค้งอยู่ตรงใดสะพานอยู่ตรงไหนดูจาก มันขับรถเป็นขับรถเป็นตอนไหนตอนที่มันไม่ปกติ้วจักใช่เบรกดูจักเปลี่ยนเกียร์ดูจกักหยุดค ว, า, ดวามเร็วลงทันทีเพราะทำเป็นแล้วเหมือนล้งตาเคยไปเทศสมัยสองพันร้อยสิบแปดมาเทศที่เอาอะไรก็เฉยชาตปากช่อง เร่งรถมาจากกรุงเทพมาถึงแตงคอยมีรถหมอสายวิ่งตัดหน้าคนขับรถก็สองคนคนหนึ่งขับคนหนึ่งนั่งมาข้างหน้าองตาก็นั่งมาข้างหน้าด้วยกันคนที่ขับรถก็ขับรถคนที่ไม่ขับรถแต่เคยขับรถก็เหยียบเบรกย่ำขาเป่าๆไม่มีรถขับนะ ใช่ไหม ย, ย่มเท่าเป่าจับมืออย่างนี้ไม่ได้ขับนะแต่ถ้าแสดงของเขาคนที่ขับรถก็นำรถพ้นจากภัยทั้งสองฉาแต่เลยถามคนวิลูดที่ไม่ได้ขับรถคุณวิลูดจะทำอะไรเมื่อเมื่อคี้เนี่ยผมรู้ว่าผมขับรถมันก็ไปก็มันเอง มือมันก็นไปเท่ามันก็นไปผมเหยียบเบรกนะผมเหยียบเบรกแต่ว่าไม่มีเบรกแต่คนที่ขับเขาก็เหยียบของเขาก็เป็นรถจริงๆอันนี้มันเกิดอะไรมันเป็นถึงข่าวมันเป็นเองคนขับรถมันเป็นเองไม่ต้องบอกไม่ต้องดับไปแล้วนี่รถเวียนลงอถอนผมมลัยออกเหยียบเบรก ย, ย, ย้ําเบรก เกินวลามีรถเราก็ย่ำเบรกแต่ทั้งที่ไม่มีรถนะเพราะเขาเคยกินในเหตุการณ์เช่นนั้นไม่ต้องลำดับลำานํำไม่ต้องไปเป็นภาคทฤษฎีเป็นตัวปฏิบัติไปเลยการที่เรามาสืบเสาะคิดของเราไม่ภาคปฏิบัติเมื่อมันหลงกว่าลู่ไปเลยไม่ต้องมาใช้ จังวะก็ได้เมื่อมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไปเลยเมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธไปเลยไม่ไทําอะไรไม่ได้อดทนไม่ได้หนีไปไหนนั่งอยู่นี้ไม่ได้ทิ้งกันขวดากันหนีออกจากกันทะเลาะกันอะนั้นมันต้องเถียงกันนะมันใช่อย่างนั้นมันก็บตอนนี้นี่ปฏิบัติทํำให้มันเป็นอย่างนี้ อะไรก็ตามก็ทําอยู่ตรงนี้แหละเราก็เห็นเหมือนกันนะเห็นความง่วงเห็นความหลงเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความทุกข์เห็นชีวิตตัญหาเห็นที่ใดก็ต้องทําอย่างนี้เห็นคนขับรถพอหลงไปที่ใดก็ต้องทําอย่างนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นต้องทําอย่างนี้มันจึงเป็นการขับรถเป็นในเวลระในอาการในโอกาสเช่นนั้น ไม่ใช่จับพงมลัยเหยียบคันเร่งไปนั่นไม่ใช่ขับรถเป็นคนขับรถเป็นต้องผ่านอุัติเหตุต่างๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างถูกต้องชัดเจนแม่นยำเวลาเห็นหลุมที่เคยช้างก็รู้จากทางตัวเองเหมือนคนขับรถโดยสารขึ้นเขาเหมือนคนอยู่บนหลังเขาขับรถลงเขา ก็เคยทางไม่ค่อยมีอุบัติเห ต, ตุก่อนไม่เคยทางก็มีอุบัติเหตุบ้างทางบางอย่างมันก็ไม่ไปตามกฎของจราจรแต่ไม่อยากทาให้โคต้งอ ก, ก็งอไปตามรวมประเทศที่ดางหลงเข่าขึ้นเขาไม่อยากให้มันชันลาดสูงมันก็ชนในขณะที่มันเลี้ยวโคง้งอ่ะี่ย ตออัอังคูงขึ้นไปสูงเงินไปมันก็มีให้ต่ำลงไปนิดหน่อยคนไม่เคยขับรถเวลาขึ้นเกียร์ต่ำไปขึ้นไปได้แล้วลงไปนิดหน่อยมันก็เกียร์เบาไปอีกหน่อยหน่อยก็ขึ้นสูงอีกมันพบาที่จะขึ้นเกียร์หนักแต่เพราะการันหันถ้ารถมีน้ําหนักมากมันก็เข้าออกเกียร์ไม่ได้เกียร์เบาการันตันมาขึ้นมาเปลี่ยนเกียร์หนัก เราเปลี่ยนเกียนหนักก็ตั้งต้นใหม่ก็ไปไม่ได้รถมันหนักเครื่องดับเครื่องดับก็ถอยหลังเบรกไม่อยู่ตกหน้าผาก็มีเหมือนกันหรือลงจากโมสูงเพื่อขึ้นเกียร์หนักควายพอลงมอสูงจะลงเกียร์เบาขณะที่รถวิ่งไว รถวิ่งไวเกินไปเก้าเกียร์ไม่ได้ก็ลื่นไปเลยก็แล้วก็วิ่งตะพื้นตะพือไปเบรกไม่ได้เก้าเกียร์ก็ไม่ได้มันรถมันไวก็เกิดอุบัติเหตุได้ขาขาดแขนขาดไปก็มีอันนี้คนไม่เคยทางคนไม่เคยเห็นความทุกข์ก็อากจะทุกข์ได้ง่าย คนที่เคยเห็นความโกรธอาจจะโกรธได้ง่ายๆคนนี้ผ่านพ้นกับกิเลสตัณหาลาคะก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาลาคะได้ง่ายๆยเมื่อามันเกิดขึ้นเดเรเราก็รับใช่มันพเรามาปฏิบัติธรรมเรามาถือเพศเรามาจิตวัดเรามาสมาทานกรรมฐานมันก็ช่วยได้นองตัวเองหงษจีวรโกนผม มองตัวเองนุ่งเผาวโอนผมมองตัวเองอะไรอยู่ในวัดในว่าก็เปลี่ยนแปลงไปได้หลายครั้งก็เห็นสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ประสบการณ์เช่นเหนี้เลยกิเลสเป็นอย่างพ้นกิเลสเห็นลูกเห็นน้ำมันก็บอกรายละเอียดของลูกของนา้ากิเลสตัณหาไม่เป็นอาการของนา้า ความร้อนความหนาวเป็นการของลูกมันบอกรายละเอียดมันตะโกนบอกถ้าคนผู้รู้รวงเมืองต้นแล้วก็ไปอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าไปติดสุขติดทุกข์อย่าไปติดหลงติดรู้ให้มันมีค่าเพราะเป็นอาการเป็นธรรชาติไม่ใช่ตัวตนถ้าเรายังไม่รู้จัก ธรรมชาติไม่รู้จักความเป็นจริงก็ไปโออาการต่างๆมันเป็นตัวเป็นตนต้องร่อนความหนาเป็นตัวเป็นตนความโุกความทุกข์เป็นตัวเป็นตนวิเลศตัณหาเป็นตัวเป็นตนมันก็ต่างกันกับผู้ที่ได้อารมณ์ผู้ได้อารมณ์มันก็รู้จักแยกโลหรือบอบบหมันเหมือนกับควงมไหวความช้า ในเวลามันวิ่งมันโกรธมันก็เช้าผมโกรธคือความวิ่งความทุกข์คือการวิ่งทางกิตวิญญาณมันรีบด่วนร้นมันก็เย็นในความร้อนนั่นได้เพราะนักปฏิบัติเป็นเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเสมอไปแล้วก็อย่าไปเอาจริงเอาจังจน เกินไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาตนเป็นประมาณเอาตนเพื่ตั้งเกินไปให้หวางตนเป็นกลางเห็นความผิดก็ไม่แตกต่างกับความถูกทำตรงนี้ให้เป็นมันจะง่ายขึ้นบางคนมีอัตตาทเทพรยาปลารบตนเป็นใหญ่ต่อลง เอาตนไปต่อรองจะทำไม่ได้จะทำไม่ได้จะทำได้นี่ตนเป็นใหญ่มักจะไม่ได้ผลนี่เพื่อนมาอยู่ที่นี่บ้างเหมือนกันนี่พระจะมาปฏิบัติธรรมสามเดือนจะตั้งใจเให้สุดความสามารถถ้าไม่บรรลุธรรมสามเดือนนี้อาจจะสึกหายาเพศไป คงไม่มีบุญวานะ่าสนาไปเอาบุญว่าสนามา้างมันไม่ใช่ว่าสนาคือความพร้อมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเอาอะไรมาเางคือเขียนเอาอยากลูกก็สร้างลูกเห็นมันหลงก็สร้างลูกวาดคือเขียนเอาแต่งเอา บารมีคือพร้อมคือเต็มด้วยความรู้อย่างนี้แหละว่าสนะมันมีอยู่ไม่ใช่ไปอ้อนวอนอะไรต่างๆเมื่อใดไม่ใช่มันมีว่าสนะตรงที่มันหลงก็ได้มันมีว่าสนะตรงที่มันกิเลสชนาก็ได้มันก็เขียนลงไปมันผิดเอาให้มันถูกมันถูกทำให้มันถูกเนี่ย เยีบุญว่าสนาปาะปารมีมีความพรมปาระแปลว่ามี์ปาระแปลว่าเต็มเต็มไปด้วยที่สร้างเอาไว้ความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยอย่าไปเอาว่าสนาพอครบสามเดือนไม่รู้ทําเลยเขาก็เสกขาวประเภทไป <c oughs> เรื่องนั้ น, นจริงๆอะ่ะไม่อยู่เลยกลายเป็นเบื่อหน่ายต่อเพศเบื่อหน่างยงต่อวัดไปเลย ไม่ได้เรกไม่ได้เราเห็นว่าเห็นวา่าปฏิวัติธรรมไม่ได้เราให้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้เจ้วันนี่มันมีเมฆฝนนิพพานเราไปเสีด็จกันไหนมันเหมือ น, นกับหมาห <c oughs> มาขี้เกียจตัวหนึ่งหากินผลไม้ลูกไม้ไปกินทั้งวันก็มีลูกไม้หล่นลงมากินอีน้วก็ฆ่าไปลกูก แต่ว่านั่นไปโลกไม้ไม่หล่นเลยไอ้ดองอันเภาเมื่อเลยคิดหล่นลงมาเนะอะนอนอยู่ครึ่งวันคขอดวันโลกไม้ไม่หล่นจากต้นก็เลยด่าต้นไม้ไอ้ต้นไม้กูไม่อยากบังดอกลูกกูเมียกูก็ไม่อยากบางังลุกขึ้นไปโก้ต้นไม้เยี่ยวละต้นไม้ ท้่แท้ตัวอย่างเกียจค้านนอนเฉยเฉยไม่ขึ้นไปขึ้นเถิดจึงเกิดตัวไปนอนอยู่อันนี้ก็มีการวุฒิไม่ประ ม, มาส ม, มตุตินะอะเราต้องมีกรรมฐานมีสตินี้รู้อยู่นี่แปลว่อะไรแปลารู้เท่า ไ, ไาหนเมื่อไรรู้อยู่นี่ก็นี่แล้วก้าวแรกของการเดินทาง ถ้าลู่อยู่อย่างนี้ก็ไปแล้วไปจากกรลงแล้ววันเราเดินทางก้าวทีละก้าวก็ถึงขึ้นโดยเขาจีปัททะเราเดินทางเราแก่กว่าเขาเขาหนุ่มกว่าเขาขึ้นบุลนลนุลนลนุนลุนเขาลงมาแล้วเราก็ยังขึ้นไปอยู่เราถึงทุกก้าวเราก็ค่อยเดินไปไปขึ้นได้เหมือนกัน ชีพธ ะ, ะถ้าใครเคยขึ้นเขาชีบทะอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอยู่นี่ก็มีไม้ขี้โอ๊ดเคยขึ้นไปคนหมูก็เคยขึ้นไปชิพธ ะ, ะนี่สีร่างกาย้อไปลองดูก็ได้จะไปไหมจะพาไป <laughs> จริงๆนะถ้าขึ้นตื่นตี สามตีจีขึ้นไปลงมาก็สองทุ่มสามทุ่มขนาดไหนถ้าขึ้นตอนตีหนึ่งหรือทุ่มหกทุ่มก็ขึ้นกลางคืนไปเลยไม่ร้อนอาจจะสบายกว่ายางคนเขาขึ้นกลางคืนแต่เราอยากเห็นบรรยากาศกลางบัน ก้อนจั่งหม้อหมันเดินเงอะไหล่ลขย้อยนี่คือคือความอันไม่ถึงอัไว้ที่หลังอันไม่ถึงจะไม่ถึงไม่ใช่ไม่คิดแบบนั้นแต่เราก้าไปการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้ลู่ไปลู่ไปเนี่ยลู่ทีละข้างละข้างตามจังหวะที่เราประกอบตามกรรมฐานทูตเจ้าทรงสองสน กายเนี่ยเอามาประกอบเป็นวัจรุปรกรณ์สร้างความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเท่านี้เหมือนกันหมดไม่ต่างกันกายก็เหมือนกันหมดจะเป็นหนุ่มเป็นแก่เหมือนกันหมดจะเป็นพระเป็นฆราวาสเหมือนกันหมดชาติใดพระสระใดมีกายความรู้สึกตัวก็เป็นเหมือนกันหมดความหลงก็เหมือนกันหมด แต่ไม่เหมือนกันตอนที่มันหลงเปลี่ยนเป็นรูนี่อาจจะต่างกันบ้างบางคนะจะจ่อชินชาเฉยช้าในการเปลี่ยนมักจะอะเอาควงหลงว่างข้องแวบบ้างความโศกข่องแวบบ้างความทุกข์ไปข่องแวะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นว่างข่องแวะอยู่กับพิเลตรนหาหลคะว่างไถ่บาศบ้าง ข้องอวะอยู่กับการง่วงเหงาหอหนอนบ้างแต่มันงว่วงก็อ้าปากหาย ห, หลบตามีความโชคนะสบายเนี่ยข่องแวะไปซาแต่ที่ตื่นตรงที่มันจะหลับมันก็ไม่ฝึกไม่เก่งตรงนี้มันไม่ตื่นตรงที่มันจะหลับมันก็เลยหลับไปก็ยาก การเปลี่ยนในต้องเปลี่ยนให้สมกับงานปฏิบัติคือต้องเปลี่ยนจริงๆรตัวชาจริงจริงทวนกระแสจริงๆหน้ามันไหลทวนกนระแสจึงจะว่าถึงฝั่งที่ต้องการงั้นเราเคยเลอยนะ้ําไหลเขี่ยวก็จะไปฝั่งตรงกันข้ามเราต้องออกทวนกระแสสักหน่อย สน้มไหลไปทางนี้เราลองไ่ว้ขึ้นทางนี้ไปเผื่อเอาไว้แล้วก็พอขึ้นไปสูงพอตรงวงก็ดัดดัดนิดหน่อยก็ไปเลยนัมนเขาออกเรือข้ามภาคก่อนจะข้ามก็ไม่ใช่วิ่งตรงๆเลยถ้าวิ่งตรงๆมันหนักขึ้นไปทางเหนือหน่อยๆอย่างเอียงอย่างอย่างเล้ทำได้ทวนก็ใช้ มันหลงรู้ทวนกระแสมันทุกรู้ทวนกระแสภาวะที่รู้นี่เป็นตัวทวนกระแสของโลกของโลกลถของโลกมันไปทางไหลทวนกระแสไปทางสูงสูงเห็นทุกเนี่เราทวนกระแสเป็นผู้ทุกตามกระแสแล้วนี่มันก็จําเป็นนะปฏิบัติธรรมแนี่ แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องใดเพราะชีวิตเราต้อง ม, อออออมีเกิดเจ็บเจ็บตายีิจิตติหาลาคะอันที่มันเป็นนายของเราเราตกเป็นทาสของกิตติหะลาคะของก่อนโลกโกรธหลงถ้าเราไมา่ชนะอันนี้เสียชาติทีเดียวเสียชาติจริง เราขาดทุนแล้วที่เรามานั่งอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์สาปฏิลาภเกิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นล้าปันประเสริฐอยู่แล้วมามีจิทธิไปสมสู่ผ ล, ผลเต็มที่ถ้าเราทอดทิ้งธุระเรื่องนี้ไปก็เสียชาติให้สมกับพ่อแม่ให้น้ำนมเรามา จนจนเกับทุกข์เวลาเกิดเจ็เจ็บตายความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจ็เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความบ้านพักเกของเักของชอบใจเป็นทุกข์โยอมจำนวนทำจะไหนเกินทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้ง น, นี้จะปรากฏชัดจะเหล่าผู้เจ้าก็แสดงว่าอย่างนี้ยอมอะไรทำไมจึงยอมเป็นลองให้พระความแก่ความเจ็บควา ม, วามตาย คนอื่นตายเราก็ร้องไห้คนอื่นตายคนที่ตายก็ร้องไห้เสียใจเสียดายห่วงหน้าห่วงหลังนี่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่จำเป็นเลยมันก็เจอะทุกวันเราเนี่ยก็เจ็บทุกวันมันเกิดดับทุกวันทีหยิบเลยถ้าเราไม่รู้ เราเห็นรูปนามมัเห็นเป็นอาการเกิดดับเห็นอาการเกิดดับของรูปของนามในอิบุต่างๆรูปนามนี่มันเป็นมหาภูตลูกเป็นอาศัยให้ทำความดีและความชั่วแต่นามมารูปถึงเกิดซ้อนมากับรูปความนามเนี่ยมันเป็นพบเป็นชาติ ถ้ามันตั้งภพตั้งชาติใดบนรูปบนนามมันก็ไปทีภพชาติที่มันตั้งไว้เช่นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยในจิตมันก็มีจิตที่มันซ่อนคิดขึ้นมาในจิตความคิดเกิดจากจิตสอนคิดที่มันเกิดจากคิตบางทีเป็นอิสระมันคิดขึ้นมาเอง ไม่อิสระปล่อยให้เขาคิดอะไรก็ได้เรามาใสบ้านเราทําชั่วเรามีสิตเป็นเจ้าของบ้านสติสัมชัญญะนี่เป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเป็นผู้ดูแลกายใจให้มันดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยปละละเลยเอ็กเราก็ไม่รู้หรอกพอเห็นรูปเห็นดามเราโอ้ยก็ตือรือล้น การช่วยเหลือรูปเช่าเหลือดามช่วยเหลือกายเช่าเหลือใจแต่ก่อนปล่อยปะละเลยทอดทิ้งอะไรที่ก็มาอาศัยกอดรับได้ควโกรธกอดรับเอาความทุกข์ก็ดรับเอาความสุขกิเลสตัณหาลับเป็นตัวเป็นตนไปเลยแล้วเปเฉินลับใช่บางทีก็เอาไปใช้จนบอมแยมไปก็ คืนมาโอ้ยคิดได้เพียงแต่คิดได้กระแสพ๊อบแบบแบบเห็นคนนั้นเป็นอย่างนี้เห็นเขาเป็นคนดีเอาความดีให้คนอื่นแต่เราเนี้เออทำไมไม่ทำไปงอ้ง อ, อง้อคนอื่นแต่ที่จะตบหน้าอกของตัวเองเราเนี่แหละคนดังไม่มีฉันทะไม่มีอุตสาหะ ตัวอย่างก็มีแล้วคําสอนก็นมีอยู่แล้วพิสูจน์ได้พระธรรมคาสอนพ่อมทั้งเป็นไปเพื่อความบอกจากทุกข์มีอยู่เป็นไปเพื่อความสงบมีอยู่เป็นไปเพื่อปัจินิพานมีอยู่อย่างนี้จะไปเสียใจร้องไห้เศร้าโศกทำไมเป็นทุกข์ทำไมเป็นสุขทำไมหลงทำไมให้มันเหนือนั่นไปเห็นกายสักว่ากายนะแยกจากนี่ไป มันร้อนวิชามากเรื่องนี้ไม่ยอมเจ๋เลยหลงตานะ่ะยังจะไปกินวันนี้จังไม่ยอมเจ๋จริงๆมันร้อนวิชาอยู่นะมันนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งสองปีเนี่ยโอ้ยอยากแสดงธรรมเห็นเพื่อนไปแสดงธรรมที่นครปฐม้ยไม่ข อ, อไปด้วยได้เปล่าไงให้ไปด้วยได้จังจังที่นอนแอง่งแรงอยู่อยากไป อากไปพวกเครื่องนี้นะจนได้มาพูดตรงนี้ตามความประสงค์แต่แก่ช่างของมันนะขอให้บอกสินบลกธรรมลอกทางไม่เอามาเป็นเครื่องขวงกัง้นจนเราตัดสินใจโอ้ยคนที่ไม่มีกรรมฐานเขาจะอยู่ไงไรนเวลาเจ็บเวลาตายเนี่ยเราทาท่า อยู่แบบคนที่ไม่มีกรรมฐานมันอยู่มาได้จริงๆ จ, จะไปทุกข์เพราะหายใจไม่ได้จะไปทุกข์เพราะเจ็บปวดมันทำไม่เป็นมีไหมไม่ทุกข์เพราะการเจ็บปวดมีไหมหรือว่าร้องให้ไปเลยเวลาโกรก็เป็นแบบหนึ่งเวลาไม่โกรกก็เป็นแบบหนึ่งมันไม่ใช่ชีวิตเราแบบนั้นชีวิตเราต้องอยู่คงเส้นคงวามีสติสมชญะเนี่ย มันจําเป็นน่ะอันความจริงเหล่าเนี้ไม่ใช่ปฏิเสธได้เราก็ต้องรับกรรมนี้ไปมันก็สิ้นกรรมได้สิ้นภพสิ้นชาติเต่านั่นได้เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์อย่างแนวมันจึงจะคุ้มค่าที่เราเกิดมาจนตัดทิ้งใจว่าโอ้เราก็ไม่รู้กรรมาฐานเขาอยู่ไงเนาเอาเราก็สอนเขาอยู่ สอนทนั้นไม่พอต้องสอนมากกว่านั้นเราจะสอนได้ยังไงเราจะหายใจไม่ได้ว่าต้องอยู่แค่หายใจเข้าไม่ออกหายใจกมาเข้าออก็มาาหมดแล้วชีวิตเนีตยรูปดํามเนี่ยเราก็ต้องไม่ตายใช่จะไม่ตายทําไมลนะ่ะไม่ตายก็ต้องไม่ตายนั่นแหละไม่ตายแบบไหนไม่ตายเพราะความเกลี่ความเกลียด ค, ความตายอันนี้ก็ไม่ตายแบบหนึ่งที่เป็นส่วนตัว มันก็ไม่ประโยชน์ต่อทิ่งใดเลยเราพยายามช่วยตัวเองมันขี้เกียจจะเอาชีวิตขึ้นมามันขี้เกียจนะบางทีมันไม่อยากเอาเอาวันที่ใดมันก็ใช้มันมันก็ใช้เวลาเหนื่อยเนื่อยมามาช่วยชีวิตเนี่ยแล้วปล่อยบางว่าสบายไปมันสบายดีเอา่าคิดที่แบบหนึ่งว่ามีความคิด อะไรที่มันสนุกสนุกไปเอ้าเราเคยเตือนอะไรสัญญากับแม่ว่าตอนแม่ใจจะขาดเราก็บอกแม่ว่าแม่แม่เปลูกเกศคนนะยวยังไม่ตายจากคนเนาลูกของแม่บวชเป็นพระคนหนึ่งนะแม่นะแม่ไม่ต้องห่วงนะลูกของแม่นั่งอยู่ในต้องหมดเลยแม่ไม่ต้องห่วง หลวงพ่อจะดูแลพี่น้องทุกคนหลวงพ่อจะตายหลังเขาให้เขาตายก่อนพี่น้องแต่ละหมดทุกคนหลวงพ่อจะตายนะแม่นะจะดูแลพี่น้องทุกคนไม่ต้องห่วงหลวงพ่อจะตายทีหลังเขาแม่ยกมาไหวเลยสาธุนอนปวดเออเอาเนี่ยจะมาตายเลยเนีน่พี่น้องจะไม่ตายจะกน่นเลยนะ จะมาตายที่หลังเขายัางไงแเราบอกกับแม่ว่าตายที่หลังของพี่นอ้องไม่ได้ผิดสัญญากับแม่แล้วก็พียความพยายามนะเอาเอาขึ้นมากลับมาหายใจหายใจไม่ได้เองวางไว้องกลับมาองก็เป็นอย่างนี้เหสนุกดีนะว่าใช่อะไรอวบอะไรนะไม่จําเป็นอย่างนี้กับประธานนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โปรยประละเลย มันก็ไม่ยากไปที่บัตรได้ให้ผลได้มันก็อยู่กับเราเนี่ยความหลงก็อยู่กับเราเนี่ยความรู้ก็อยู่กับเราเนี่ยความโกรธก็อยู่กับเราความไม่โกรธก็อยู่กับเราเนี่ยตรงเงินข้ามบ่ดีพระจิตถะตอนเป็นเจ้าผ้าชายมองตรงเงินข้ามมาน่ไม่ใช่มองแบบลิบหลี่เลย เมื่อเมยเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมี์เจรต้องมีไม่เจรเมื่อไม่เจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อเมยตายก็ต้องมีไม่ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆแจะไปยมดํามมนเราเป็นทุกข์ความเกิดเจรเจ็บตายเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์การพภาคก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปารถาชิ่งใดไม่ได้ชิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ มันไม่ใช่นิดหน่อยใช่นีมก็มาเป็นทุกข์หรอมันเกิดจากเราปรุงแต่งไปเองบางทีธรรมชาติมันปรุงแต่งไปด้อยเห็นมันตามความเป็นจริงของเขาามจะไหนการตามที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้ จ, จะปรากฏเจดเจรารายอีละปลีพุตัมไปตั้งพระวันตังอุริจทหังตังจมมาจำพุทธตง อุทตอพระพุทธเจ้าอุทิศคือทำเหมือนพระพุทธเจ้าพระุเจ้าทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่านี่กายอนุปัามิติเห็นกายนะมาทำตามไม่ใช่กลัวตายไม่อยากตายอั น, น้นไม่สำเร็จอุทิศคือทำตามเมื่อเราทำตามาน่านี้ก็ติดเบะเพื่อเนเป็นตาของเราไปรูดีเป็นตาไปเราทำดีเนี่ยเป็นตาไป มันมีหนะ้าตาตัวเนี่ยเรานอนตายยะเกิดมาเราก็ไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรไม่สะดุ้งขวาเพราะกรรมของตนนม่จะทำความดีความดีที่เราทำมันเต็มไปหมดเลยอะไรก็ที่มองเห็นได้ชัดหลายอย่างนอกจากส่วนตัวเราไม่ ในใจก็บริสุทธิ์การงานก็บริสุทธิ์ไม่เป็นไปเพื่อทำให้ใครเดือดร้อนมันก็ชื่นใจสบายใจนะอาจจะทำกบชั่วจะสะดุ้งเนาะบางคนตายกิจอาีต่างๆก็อยากจะช่วยตรงนี้บ้างแต่มันก็ช้าไปแล้วไปช่วยตนหายใจไม่ได้อ็มัเจหมยก็ จะเชาไปอันดีก็ช่วยได้บ้างช่วยมันได้ถ้าเขาไม่มีเครื่องรับไปสักหน่อยเหมือนเรามปเครื่องรับตัวจั์วิทยุตัรทน์มีข้อมูลข่าวสารมาแจากทางเงินเรารับได้เราอยากปฏิเสธได้เหรานั้นเราดูทีวีก็ล์ฟได้อะไรเรื่องดีๆแล้วก็ดู อะไรที่มันไม่ดีก็ปิดก็ง่ายนิดเดียวมีรีโมทหรือมีอะไรอ่ะอ่าเนี่ยปิดปับ๊บเลยอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักปิดรู้จั ก, จกลบให้เป็นชีวิตเรามันประเสริฐจริงๆมนุษย์เป็นจัดประเสริฐบางคนปิดไม่เป็นรับไม่เป็นเอาตะพื่อะเพื่อล็อคความทุกข์ให้ความทุกข์อยู่กับเรารับคความโกรธให้ความโกรธอยู่กับเราก็ได้ข้อมูล ด้ยโปรแกรมไม่ค่อยดีเหมือนกับเราให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็เจ็บโปรแกรมเล่นวายโปรแกรมในหัวใจเราเนี่ยมันเจ็บไปเยอะๆเลยข้อมูลจนเป็นกิเลสพันห้าตนะรอยแปดเหมือนก็เป็นอย่างนี้ชีวิตเราถ้าเราไม่ฝึกตนสอนตนตน้อไม่ใช่ไปเป็นเรื่องของใครที่ไหนเป็นเรื่องของตัวตัวเราเนี่ยอย่าเอาอะไรมาอ้างนะ